เรื่องเล่าขยาวขวัญกะดึกสยองขวัญสวัสดีครับพี่พี่ทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อเบสครับวันนี้ผมมีเรื่องราวแปลกๆที่ได้ไปเจอมาสดๆร้อนๆมาเล่าให้ฟังครับเข้าเรื่องเลยละกันผมเป็นพนัก ง, งานไอทีทำงานอยู่กะดึกที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ทำงานผมอยู่แถวแถวสีลมครับโดยปกติเนี่ยผมต้องนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานทุกวันผมทำงานมาได้ปีกว่าๆแล้วการเดินทางที่รถไฟฟ้าก็ปกติดี ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆเลยครับแล้วมันจะไม่ปกติอีกต่อไปเมื่อมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นผมจําได้ดีวันนั้นเป็นวันอังคารผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่ผมจึงโทรไปแจ้งหัวหน้าเพื่อขอเข้าทํางานช้าหน่อยปกติแล้วผมจะเข้างานหนึ่งทุ่มเลิกงานอีกทีก็เจ้าเช้าเลยแหละครับพอผมรู้สึกดีขึ้นผมก็ไปทํางานปกติเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มผมเดินตามทางที่เคยผ่านเป็นประจําเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้า วันนั้นบรรยากาศค่อนข้างหนาวครับผมเดินไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรผมรู้สึกได้ว่ามีลมมาปะทะเข้าที่ตัวอย่างแรงจากนั้นบรรยากาศก็เริ่มบองเวงขึ้นสายตาเจกรรมดันกวาดตาไปมองบนสะพานลอยผมเห็นคนคนนึงผมยาวๆยืนอยู่กลางสะพานลอยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากจากนั้นผมก็เดินต่อไปเรื่อยๆเข้าใกล้สะพานลอยมากขึ้นไม่รู้อะไรดนใจให้ผมมองกลับขึ้นไปอีกครั้งบนสะพาน สิ่งที่ผมเห็นก็คือเขาคนนั้นยังยืนอยู่บนสะพานลอยครับและไม่ถึงเซี่ยววินาทีที่ผมละสายตาไปจากเขาผมมองกลับไปที่เดิมอีกครั้งผมเห็นเขากำลังจะกระโดดจากสะพานผมร้องเฮ้ย hey! ดังมากและสิ่งที่ผมเห็นหลังจากนั้นผมเห็นเขากระโดดลงมาจากสะพานแต่ร่างของเขาไม่ถึงพื้นครับเพราะตรงคอเขามีเชือกผูกติด ก, กับราวสะพานไว้ผมเห็นเขาค่อยอยู่ตรงสะพานลอยและดิ้นอย่างทุรนทุรายต่อหน้าต่อตา ด้วยความที่เคยทํางานที่มูนิธิร่วมกับตันยูมาบ้างผมจึงได้ตั้งสติและรีบวิ่งเขไปบนสะพานลอยเพื่อช่วยชีวิตเขาผมวิ่งไปจนถึงจุดที่เขาได้ทําการกระโดดสะพานลอยเพื่อฆ่าตัวตายผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองทุกอย่างเงียบสงบจนผมได้ยินเสียงหัวใจของผมที่เต้นแรงมากๆและแน่นอนเขาคนนั้นที่ดิ้นทุรนทุรายต่อหน้าผมเมื่อกี้หายไปไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตแม้แต่น้อยผมเข่าอ่อนแทบสุดลงไปอยู่กับพื้น เหงื่อของผมออกเยอะมากทั้งๆที่อากาศวันนั้นเป็นวันที่อากาศค่อนข้างเย็นหมาแถวนั้นเริ่มหอนรับส่งกันเป็นจังหวะผมรีบดึงสติกลับมาแล้วเริ่มตั้งสมาธิตอนนั้นใจผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับผมรีบเดินลงจากสะพานลอยอย่างไวที่สุดโดยไม่กล้าหันหลังกลับไปมองด้านหลังเลยครับพอเดินกําลังจะลงถึงบันไดขั้นสุดท้ายด้วยความที่ยังสงสัยอยู่ผมได้เหลือบตาขึ้นไปมองด้านบนอีกครั้งหางตาผมเห็นเขาคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าจุดนั้น และกำลังจ้องมองผมอยู่เท่า น, นั้นแหละครับผมรีบเพิ่มสปีดในการเดินทันทีเพื่อให้ถึงสถานีรถไฟฟ้าให้เร็วที่สุดผมนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าด้วยความระสามระสายพอไปถึงที่ทำงานผมแทบไม่คุยกับใครเลยครับเมื่อถึงโต๊ะที่ทำงานผมได้แต่นั่งคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก่อนหน้านี้ไม่น่าเชื่อเวลาเพียงไม่ถึงสินาทีมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากถึงมากที่สุดภาพที่เขาคนนั้น ที่โดนเชือกรัดคอดินทุรนทุรายยังติดอยู่ในหัวของผมอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นทั้งคืนผมแทบจะไม่เป็นอันทํางานทําการเลยเหมือนไข่จะกลับขึ้นอีกรอบซะแล้วผมได้แต่นั่งเก็บความข้องใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมจนถึงตอนเลิกงานในตอนเช้าผมได้เดินทางกลับบ้านผ่านทางเดิมที่เมื่อคืนได้เจอเหตุการณ์หลัหลอนและด้วยความสงสัยผมได้ไปถามป้าที่ขายของอยู่แถวนั้นว่าตรงสะพานลอยนี้เคยมีอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่า ป้าเขาก็อัมอัมอึ้งๆอยู่สักพักเขาก็บอกว่าที่บนสะพานตรงนูน้นเคยมีคนผูกคอตายพร้อมกับชี้ไปตรงที่ผมเจอเขาเมื่อคืนพอดีแปะ๊ะผมที่แต่ยืนนิ่งหน้าซีดแล้วป้าก็พูดต่อมาว่าคนเถวนี้เจอกันบ่อยบางทีก็เจอคนยืนอยู่บนสะพานลอยแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาบางก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ดังมาจากบนสะพานหลังจากที่ผมได้ฟังสิ่งที่ป้าพูดจนจบ ผมจึงรีบไปทําบุญใส่บาตเพื่ออุทิศส่วนบุญให้สิ่งที่ผมเจอเมื่อคืนในเช้าวันนั้นทันทีและหวังว่าจะไม่ได้เจอเรื่องราวสุดสยองแบบนี้อีกทุกวันนี้เวลาผมเดินผ่านที่เดิมทีไรหัวใจผมยังสั่นวิววิวอยู่เลยครับแล้วก็ไม่กล้าผ่านแถวนั้นตอนดึกๆอีกเลยเรื่องราวของผมก็มีเท่านี้แหละครับอาจจะไม่สยองขวัญเท่าเรื่องของคนอื่นๆแต่สําหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องน่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยละครับ หากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Bye. <laughs>